ท่ฟังที่ครรอค่ะรายการสันสินีสนทนานะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งหลังจากที่เราหยุดพักกันในวันเสาร์อาทิตย์ที่กลับมาพบกันนะคะเราก็นํารายการกันเช่นเคยจากพระมาชชาคาวโรวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองศิษ์ที่ให้ท่านปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังพระสูตรคือสิ่งที่พระพุทธค์ได้ตรัสไว้นะคะกันผ่านไปต่อไปเราก็กําลังจะไปพบกับกัจจานทร์พบูลยอภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกอุดรธานีค่ะ ในช่วงเปิดคำที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะกราบนมวัส ก, การค่ะเชิญพรนท่านอยู่ที่อุดอรนี่มีโอกาสได้สนทนากับชาวบ้านแถวนั้นบ้างไหมคะก็มีบ้างนะมีบ้างอ่อค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะมาพูดถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่บ้างไหมคะหรือว่าจะเจอพระอจารยจะคุยแต่เรื่องธรรมะอะ่ก็ต้องแบ่งเป็นสองพ้ว ก, ก่อน ถ้าพวกที่เข้าวัดเนี่ยเขาก็จะคุยแต่ธรรมะก็จะคุยเรื่องธรรมะเรื่องการปฏนบัติของตัวเองหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับว่าจะใช้นั่งสมาธิอะไรเป็นยังไงนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคือพวกที่มันไม่เข้าวัดขอพวกที่ไม่เข้าวัดเขาก็จ ะ, ะบางนานมาวัดทีหนึงอันนี้ก็จะไปอีกแนวหนึ่งล ะ, ะพวกเครื่องรางของขั ง, งก็มีหลงมาบ้างพวกที่ขอหวยขอเบอร์นี่นั่นนั่ น, นจะมาทีก็มีใช่ไหมคะ แปลว่าเขาก็รู้จักวัดพอสมควรสิคะใช่ใช่ไม่มีต้นไม้ไหนสักต้นเลยใช่ไหมคะที่ไปอ่าขอหวยแล้วก็เลขปรากฏดอะค่ะยังไม่ปรากฏว่ามีเยอะนะคะมีไว้ทำอะไรกันท่านคะมันก็เป็นป่าเดิมอยู่ของเขาค่ะเป็นป่าเดิมของเขาก็อาจจะมีตัดบ้างเพื่อทําสิ่งก่อสร้างอะไรบ้างแต่ก็พยายามที่จะรักษาไว้จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ไปก็ได้มีโอกาสไปเดินจงกรมบนลาน ที่เต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็เดินตามช่องของต้นไม้นะคะ อ, อันนั้นเป็นการจัดลานเดินจมกลมในลักษณะที่คำหนึงถึงหลักการหลักเกณฑ์อะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติไหมคะเก็พระที่เจ้าพูดถึงว่าให้ใช้คนไม้ใช้เรือนว่างเป็นสถานที่ปฏิบัติตเพราะฉะนั้นเดินนี่ก็เดินที่ไหนก็ได้ทางเดินก็ได้นะแล้วก็ตามร่องช่องทางต้นไม้เนี่ยเราคิดว่าตรงนั้นเป็นบริเวณที่ มันไม่ได้มีใครไปกวนเราก็เลยลักษณะว่ามันเป็นใบไม้ร่วงใช่ไหมก็เลยไปกวาดกวาดช่องให้เป็นช่องที่พอทีท่จะเดินจงกรมไปกลับม่กลับมาได้ค่ะเวลาเดินจงกรมในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่จะพบกันอยู่เสมอคือจะมีมแมลงอะคะ่ะท่านคะทีนี้เวลาเดินเราก็จะต้องระมัดระวังมากมากมพูดถึง บางทีเ ร, รามั่ระวังเรรู้สึกว่ามากไปอ่ะจนจนรู้สึกอยากจะเลือกไปเดินที่อื่ น, นะะ <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะวิธีเดินจงกรมที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรคะในกรณีเช่นนั้นค่ะอันนี้จะมีอยู่สองกรณีนะอันดับแรกเอาพูดถึงเรื่องเดินจงกรมก่อนนิดหนึ่งคือจริงๆว่าจังกรมะมเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าเดินกลับไปกลับมาเฉยเดินไ ป, ไปเดินกลับไปกลับมาคือการเดินธรรมดานั่นแหละ คือไม่ใช่ว่าเดินจงกลมนี้ต้องตั้งท่าต้องมีตำแหน่งต้องมีจุดปลายอะไรไปมันมันมันใช่เรื่องมากขนาดนั้นแต่การเดินพระเจ้าใช้คําว่าจังกรรมนั่นคือการเดินเฉยเดินธรรมดาเพราะฉะนั้นในการเดินเนี่ยก็ให้เรามีสตินอยู่ในลมหายใจไปได้นะเราก็หรือว่ามีสติในกิริยาบทการเดินก็ได้นะถ้าเดินอยู่เรารู้ว่าเดินอยู่อันนี้ก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์ละอันนี้ก็เดินที่ไหนก็ได้เดินยังไงก็ได้ เดินเร็วเดินชา้าได้ทั้งนั้นแ ต, แต่ว่าขอให้ทําเป็นธรรมชาติก็แล้วกันคือบางคนเดินชา้ามากเกินไปมันก็ก็จะไม่ได้นะมันมันจะไม่เหมาะสมมันจะทําให้จิตของเราไม่รวมลงตรงนั้น อ, อ๋อค่ะแต่ว่าถ้าหากในกรณีที่มีมแมลงเยอะๆอย่างเนี้เดินไปก็จะต้องพยายามไม่เหยียบเขาถูกไหมคะ เ, ออเรื่องของมแมลงนี่ก็เป็นประเด็นที่สองนะแต่เพราะว่าการถ้าเราจะกังวลเรื่องการฆ่าสัตว์นะคืออย่างในป่าช่วงนี้มันก็มียุงจุมด้วย เรา <Okay. S 1> เดินไปเนี่ยถ้าเราเดินไม่เร็วพอเนะยยุง ม, มันจะมาเกาะได้ถึงแม้เราจะเดินเร็วแล้วมันก็ยังมีตําแหน่งที่มันเข้ามาใช้จังหวะเข้ามาได้เนี่ยว่าเรามึ่อเคี่ยวเอาไปโดนมันตายนะีหรือว่าเราเดินไปเดินไปเหี่ยวเยี่ยมหอยตายอย่างเงี้ยถามว่าความกังวลใจเราเอาจาตรงไหนเป็นมาตรวัดโบสถ์เจ <Okay. S 1> ้าก็เคยพูดถึงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดถึงเรื่องของการฆ่าสัตว์นะคือทําชีวิตสัตว์ไม่ให้ตกล่วงลงไปเนี่ยก็ด้วยการที่หนึ่งนะไม่มีสัตราไม่มีอาวุธ แล้วก็การที่ประการที่สองสัตว์เหล่านั้นต้องเป็นสัตว์ที่มีปราครนค่ะนะก็จะเป็นสัตว์ที่ไม่มีปรานนะเช่นพวกเชื้อโรคเชื้ออะไรพวกนี้เนี่ยอย่าให้เป็นผู้มีความกังวลใจคือจุบสงของศีนเนี่ยพุณโยมติ๋วเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจค่ะไม่ร้อนใจเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจจะรักษาศีลเอาแล้ยังร้อนใจอยู่ว่าฉันจะทําได้ไหมฉันจะทําถูกไหมฉันจะทําดีไหมทําอย่างนี้ฉันทําไม่ได้แน่เลยอันนี้ผิดประโยชน์ละผิดจุดประสงค์ของการรักษาศีลละไม่ถูกอะอ่า เพราะนั้นจุปดประสงค์ที่แท้จริงคือทํายังไงให้เราไม่ร้อนใจเอาก็เอาเกณฑ์มาตรฐานในการวัดนะว่าสัตว์ที่มีลมปราณก็แล้วกันเกณฑ์มาตรฐานในการวัดอย่างที่2ก็คือเจตนาของเราก็แล้วกันแตนะถ้าเราไม่มีเจตนาหรือว่าสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีลมปราณอย่างน้อยเราพอจะสบายใจได้นิดนึงนะให้มีความสบายใจว่าเอออบายทุกติวินิบาตเนี่ยยังไม่เป็นที่ภายแน่นะเท่ากับว่าอาจจะสรุปแบบหลักของพระพุทธองค์ใหญ่ๆเมื่อเป็นทางสายกลา ง, างได้ไหมคะ าให้ระวงังิบดีพอดีอนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็พอเริ่มจับสังเกตนะโอ้โหมันเยอะหมดเลยตัวเล็กตัวน้อยเล็กจิดนึงอืมจะรอดไปได้มั้ยที่จะไม่ผิดศีลอย่างเงี้ยนะคะก็ก็<ๆ>กยกตัวอย่างง่ายๆตอนเช้าถ้าใครไปห้องน้ํานะถ่ายหนกักถ่ายเบาแต่ถามว่าไอ้ที่คุณถ่ายออกมาเนี่ยมีทั้งสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยติดมาทั้งสิ้นเลยแล้วกดชักโครกอกไปคุณรู้ไหมว่ามันก็ตายเหมือนกันนะ มันออกมาโดนอากาศมันก็ตายแล้วบางประเภทนะะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ไหมเราจะร้อนใจไหมเพราะเนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุนะก็ต้องบอกว่าปลานาติบาตเนี่ยปาหนา้ปานาเนี่ยหมายถึงรมปรานะสัตว์ที่มีปราสัตว์ที่มีลมหายใจนะเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ก็แล้วกันในกรณีที่ท่านยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะดิฉันเข้าใจว่าถ้า ไม่ได้ชักโครกลงไปเนี่ยราคาจะทำให้เดือดร้อนมาก <c oughs> <c oughs> มากกว่านะคะก็พอทราบหลักกันนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่นี้มีคำถามมาถึงท่านเป็นบณ์ทางเฟซบุ๊กนะคะเรานที่พูดถึงเรื่องไล่คนออก <c oughs> ไล่พนักงานออกอย่างนี้คะ่ะถือว่าไปเบียดเบียนเขาหรือเปล่าคะเพราะกลัวจะมีกรรมอ๋อค่ะอันนี้มันดูได้สองแง่คือหมายความว่าถ้าเราไล่ออกเพราะว่าเราไม่พอใจเขาอิจฉาเขาเียดเขา แล้วคุณใช้อันนัอำ น, นาจในการทํางนั้นอันนี้ไม่ถูกแน่เป็นการเบียดเบียน น, นทีนี้เราต้องมาดูว่ า, าถ้าเราไม่ได้จรมีจิตใจเป็นอย่างนั้นแต่ว่าลูกน้องนี่เป็นคนไม่ดีจริงๆนะามาก็สายทํางานก็ไม่เรียบร้อยทํางานไม่ดีมีข้อหนึ่งในเรื่องที่ทั้ง6ที่ปริชาพูดถึงหน้าที่ของเจ้านายนั่นเจ้านายเนี่ยมีหน้าที่ต่อลูกน้องอย่างหนึ่งคือให้ทํางานตามความสามารถนั่นคือใช้บทเพยียงชนะว่าให้ทํางานตามกําลัง ให้ค่าจ้างรางวัลสองอย่างน ะ, ะเอาเราเรื่องนี้มาพูด 1. ให้ทํางานตามกําลัง2ให้ค่าจ้างรางวันลฟนะังนี้ดีคุณโยมติวตัวนี้เป็นรายละเอียดที่ดีมาก เ, เราจะให้ลูกน้องเราทํางานตามกําลังเปรากฏว่าลูกน้องของเราศักยภาพการทํางานลดลงนะเช่นว่าบางทีไปคบเพื่อนชั่วไปกินเหล้าทําให้มาทํางานสายทําให้การทํางานลดลงประสิทธิภาพทำให้ดีเราก็จะต้องเปลี่ยนเขาไปทํางานที่ตามกําลังเขาอันนี้เป็นไปตามธรรมนะ ถ้าเขาทํางานความสามารถลดลงเราก็ต้องให้เขาไปทํางานที่ต้องการความสามารถน้อยลงนะถ้างานตามความสามารถน้อยลงเราก็ต้องให้ค่าจ้างรางวัลตามความสามารถนั้นคือ จ, จะพูดให้เข้าใจก็คือว่าถ้าจะลดงานเขาจะลดเงินเดือนเขาทําได้ตามความสามารถเขาเข้าใจไหมค่ะ หรือบางคนนะมีภาระมีลูกมีเต้าอะไรต้องเลี้ยงดูแลอา้าวต้องการจะคุยกับเจ้านายว่าเอายี้ฉันขอลดภาระงานลงนั้นรับเงินเดือนน้อยลงก็ได้อย่างนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะมันอยู่ที่ว่ า, าลูกน้องเนี่ยความสามารถด้วยการที่จงใจทําเองหรือว่าเพราะเกิดความประมาทในชีวิตทีนี้เจ้านายมีทางเลือกอีกทางหนึ่งคุณยมติ ว, ว่าถ้าบอว่าลูกน้องคนนั้นเนี่ยเป็นลูกน้องที่เป็นเหมือนเพื่อนเราด้วยเรารู้จักเขาด้วยเนี่ย เ, เราจะต้องเป็นผู้รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว น่นคือหมายความว่าถ้ามิตรคนนี้เขามีเพื่อนไม่ดีไปทําไม่ดีคุณมาชา้าคุณมาสายเป็นเพราะอะไรเราพยายามที่จะแก้ไขนะรักษามิตรคนที่ประมาทเนี่ยถ้าคนนี้ก็เป็นเพื่อนเราเรารู้จักเขาแล้วเขาประมาทแล้วเรารักษาเขาอันนี้จะเรียกว่าเป็นมิตรผู้มีอุปการะด้วยนะเป็นมิตรทุร่วมทุกร่ว ม, มสุขว่าอย่างนั้นเพรา ะ, ะนั้นมันก็อยู่ที่หัวหน้าจะทํายังไงนะคืออันดับแรกก่อนเราก็ลดเงินลดเงินเลยเขาได้ลดงานเขาได้นะตามหน้าที่ ท, ที่ที่เขาสามารถรับผิดชอบได้ งานบางอย่างเนี่ยมาสายไม่ได้เลยนะคุณโยมติวแล้วถ้าคุณมาสายนี้เดือดร้อนไปหมดเนี่ยมันก็ต้องให้เขาออกไปทํางานอย่างอื่นแะถ้าในบริษัทเราไม่มีอะไรให้ทําเลยก็ต้องไปหาบริษัทอื่นค่ะดังนั้นอ่ะอย่างนี้ไม่ฟันธงใช่ไหมคะอถามว่าเบียนเบียนไหมค่ะอมันจะเป็นไปตามทำน่ะเป็นไปตามทำดีกว่าค่ะเพราะว่าเราต้องให้เขาทํางานตามกําลังงั้นเท่ากับว่าหากถ้าเป็นบริษัท หรือว่าองค์กรก็มักจะมีกฎระเบียบของเขาอื ม, อมซึ่งอาจจะมีระเบียบกําหนดไว้คุณสมบัติของคนที่จะทํางานเป็นอย่างไรจะให้ออกเนี่ยเพราะเหตุใดก็เป็นไปตามกติกาที่วางไว้ใช่ใช่ถือว่าทําถูกใช่แต่ถ้าไม่เป็นไปตามกติกาอันนี้ก็อาจจะทั้งถูกและไม่ถูกเข้าข่ายเบียดเบียน er. คือสมมุติว่าคุณสร้างหลักฐานขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกติกานั้นเพื่อที่จะเบียดเบียนเ้าอันนี้เบียดเบียนแน่นอน แ ต, แต่ถ้าว่ามันเหตุการณ์มันตกล่องปล่องชิ้นคุณทำเป็นคนประมาทเองมันทําให้เปลี่ยนแปลงเป็นงนี้เราก็ต้องเอาเขาเปลี่ยนแปลงตามกฎระเบียบบริษัทนะนะจะว่ า, าเบยดเบียนก็ไม่ได้ที่เรามานั่งพูดกันอยู่ว่าเบียดเบียนหรือเปล่าเป็นการมหรือเปล่าเป็นพยาบาทหรือเปล่าเจ้าตัวเหล่านี้เรียกว่ากิเลสนะนะคะออืถ้าเกิดเราทําไปแล้วเนี่ยอ่สมัยก่อนเราเป็นเด็กๆมันจะได้ยินว่าเราทําอย่างนั้นนะจะตกนรกนะตีแม่มือจะโตนะ ดามแม่ขออภัยนะคะคือเหมือนว่าเด็กๆเน่พูดจยยใจหยาบคายกับพ่อแม่เนี่ยก็จะถูกเตือนว่าระวังปากจะเท่ารูเข็นนะในกรณีที่เราทําผิดธรรมคือไปพยาบาทไปเบียดเบียนไปติดติกทางกรรมอย่างนี้ผลคืออะไรคะทา่านคะเออก็ถ้าทำบ่อยๆทำมากๆอนานนรกกำเนิดเรัจานเนารปรตวิสัยเป็นที่ไปแน่นอนอันนี้หมายถึง การเบียดเบียนการพยาบาททุกประเภทเลยใช่ไม่ต้องจำแนกเลยว่าไปฆ่าคนไปโกงใ้าอย่างหนึ่งก็ก็เป็นไปทั้งนั้นเลยเอาแค่พูดเพรสเจออยู่เรื่อยนะตื่นเช้าพูดทุกวันบ่ายพูดอีกเย็นพูดอีกก่อนนอนยังพูดอีกคุณทำทุกวันคุณไม่พ้นแน่นรกกำเนิดเดชานเปรตพิสัยค่ะแต่ว่ามันก็ดูเหมือนกับอยู่บนโลกใบนี้มองไม่เห็นนะคะว่าเปรดเป็นยังไงนรกเป็นยังไง อดีราชาเนี่พอรู้นะคะอก็เลยไม่รู้จะกลัวดีหรือเปล่าออืความไม่สบายใจบนโลกใบนี้เป็นอย่างไรคะความเดือดร้อนบนโลกใบนี้ความเสียหายบนโลกใบนี้คะ่ะอบนโลกใบนี้ก็คือสมมติถ้าเราพูดเพนะืเจริญก็จะเป็นไปเพื่อความที่เเป็นคนอื่นที่คนหนึ่งก็ไม่เชื่อพูดจาแล้วคนหนึ่งไม่เชื่อนะเวลาพูดจะพูดจาอะไรจริงๆจริงจั ง, จงที่เป็นการเป็นงานเนี่ยเฮ้ย ม, มันมั่วเปล่ามันพูดเล่นหรือเปล่าเนะี่ยก็จะมีแต่คนพูดอย่างนี้อันนี้จะเป็นอันนี้ส่งที่คุณเห็นได้ในปัจจุบัน คำจำกัดความของคำว่าเพ้อเจ้อพระพุทธองค์ตรัสให้ไว้ไหมคะอ่าคือตรัสไว้อยู่นะคือพูดถึงการพูดที่ไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงนะไม่มีเวลาจบไม่เป็นธรรมไม่มีวินยัยไม่เป็นวินยัยนะไม่สมควรแก่เวลาพวกนี้เป็นวาจาเพ้อเจ้อทั้งสิ้นเลยและถ้าพูดเช่นนี้แล้วก็จะเป็นอย่างที่ท่านกล่าวคือถ้าทำบ่อยทานานจะ เป็นรค ก, กำเนิดเดรัจฉานเป็น์พิสัยแต่ถ้าทำทาไม่ได้ถึงขนาดบ่อยไม่ถึงขนาดนานเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าผลอย่างไรนะคะผลก็จะเป็นไปเพื่อมีวาจาที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะ อ, อันนี้ตัวเันเข้าใจว่าที่พูดย้ำเนี่ยคือส่วนใหญ่คนไทยอารมณ์ดีนะคะแล้วคืองี้ไงประเด็นมันต้องแยกคุณโยมติว่าเอาเราจะพูดไม่เพอ้อเจอยังไงให้ตลกได้ นั่นนะสิคอ่าคือบางคนคิดว่าจะเอาไอ้สออย่างนี่คือการตลกกับการเพเจร์เนี่ยไปเกี่ยวข้องกันเสมอไม่ใช่ไม่จําเป็นนะคือตลกบางอย่างไม่ต้องหยาบก็ได้ตลกบางอย่างไม่ต้องเพเจร์ไม่ต้องโกหกก็ได้แล้วมันมีหลายอย่างนะมุกตลกอะไรต่างๆที่ที่ไม่หยาบไม่เพเจร์ไม่ไม่โกหกไม่สอดสีมีทั้งสิ้นนะเราใช้มุกตลกอย่างนั้นได้นะก็คงต้องคิดคมุกขึ้นมาแล้วก็มาแบ่งปันกันนะนะนะคะคือมุกตลกของการไม่เพเจร์คือพูดแล้วมีหลักฐานอ้างอิง ใช่แล้วถ้าของการอเสียดสีใช่ไหมคะ ก, ก็คือการพูดแล้วทั้งคนแตกกันใช่พูดยุยงให้แตกกันนะคะ อ, อันนี้ก็เอาเป็นหลักไว้เพราะว่าทําให้เช่นนั้นละ ว, วันวันนึงเนี่ยทํากรรมหนักเหมือนกันนะคะเราพูดตลอดทั้งวันเลยอืมบางคนก<อ>ลับมาด้วเมื่อยปากไม่พูดกับคนอื่นเลยค่ะท่านคะการพูดตลกโดยที่ไม่เพื่อช่วยตัวอย่างหนึ่งอาจจะพูดได้ก็คือว่าเราเล่าเรื่องตัวเองที่เรื่องของตัวเองที่แบบบ้าม่ำเปลอหรือว่าผิดพลาดไปในอดีตก็ได้ บางทีเราเดินไปตกท่อเราทําอะไรไม่ถูกจักหีบจักรยานล้มเราเอาเรื่องเหล่านี้มาเล่านะให้มันมีตมุกตลกนี้ก็สามารถทําได้ไม่เผือเจอด้วยเป็นเรื่องจริงเป็นรื่องจริงใช่เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็ดิฉันก็เห็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายรูปนะคะอืม่ันก็เคร่งครัดในธรรมในวินยัยแต่มีบ่อยครั้งทีเดียวที่พูดออกมาลูกศิษย์หัวเราะ ก, กันครืน่น <laughs> นะแล้วบางครั้งดิฉันยังเห็นพระสงฆ์ก็จะพูดต่อว่าเอออาตมาอ่า ไม่ได้ไม่สํารวมนะอะไรอย่างนีค่ะก็ต้องพยายามนะคะท่านฟังเพราะว่าเรื่องของการพูดเนี่ยบางทีเราคิดไปไม่ถึงแต่เท่าที่ฟังอ่ผู้ทวัตจนะมาโดยตลอดเนี่ยดูเหมือนกับว่าการพูดเนี่สําคัญมากสําคัญอย่างไรนะคะท่ยายท่านูมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะเนี่ยไหมถ้าเราบอกว่าธรรมะคือวิธีชีวิต ดังนั้นในวิถีชีวิตในการพูดของคุณเนี่ยคุณจะไปพูดในด้วยไมโครโฟนออกรายการวิทยุพูดอยู่กับบ้านพูดอยู่กับเพื่อนที่ร่วมงานมันต้องใช้การพูดทางนั้นเลยถ้าเราไม่คุมวาจาเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นกรรมนะกรรมทางกายการทําวาจานะกรรมทางวาจาเนี่เป็นอย่างที่สองด้วยนะที่จะทําให้เราดีหรือเราจะร่วงก็เพราะตรงกกรรมตรงนี้ด้วยค่ะสำคัญ<ะ>มากเลยวันนี้เราก็ได้ไปหลายเรื่องเลยแต่เรื่องที่คิดว่านําไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีก็คือเรื่องของการพูด ส่วนเรื่องของการจะเบียดเบียนลูกน้องหรือเปล่าลองไปพิจารณาดูนะคะว่าสิ่งที่ท่านทําลงไปนั้นเจตนาเป็นอย่างไรถูกต้องตามธรรมไหมตามกฎระเบียบไหมค่ะวันนี้คงพอควรเก็บเวลาแล้วนะคะใช่ใชค่ะานะกราบน้ำส ก, การนะคะสําหรับพระอาจารย์พบุตรอภิปุณโญคะ่ะเรียนบอลท่านฝั่งที่รบ ค, คะ่ะท่านโชคดีนะคะอยู่ที่บ้านพระอาจารย์ก็อยู่ที่อุดรโชคดีกันทุกคนเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ประจวบ ก, กับ ทางสถานีวิทยุ f อฟครอบครัวข่าวร้อยหและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติร่วมแรงร่วมใจกันนะคะก็เลยทําให้เราทั้งหลายเนี้ยได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมโดยไม่ต้องไปวัดผ่านทางคลื่นวิทยุที่ท่านกําลังฟังอยู่ในขณะนี้บางคนอาจจะฟังที่อินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะและถ้าชอบอ่านหนังสืออยู่เหมือนเดิมนะคะพุทธวจนะแบบที่ท่านมาร์คได้อ่านไปในตอนต้นเนี่ยจะถูกรวมไว้ในหนังสือชุดชื่อเดียวกันคือพุทธวจนะถามว่าเขียนโดยใคร ถ้าโดยเนื้อหาโดยพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าเลยนะคะ022690006ท่านขอกันมาที่เบอร์นี้แหละค่ะวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะพุททวัดสวัสดีค่ะ